สิ่งใดที่เข้าไปติดพันยึดมั่นจะไม่ให้โทษนั้นเป็นไม่มีอาจารย์วสินอินทศระสิ่งใดที่เรา เขาไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยไม่มีหรอกอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงคาว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือเข้าไปติดเข้าไปกเกาะเผ้สิ่งนั้นได้อย่างใจเราเมื่อเราชอบ ก็ต้องอยู่กับเรานานๆอย่าพลัดพากจากเราไปไหนถ้าเราไม่ชอบใจเราก็คิดผลักไสทำลายทาร้ายอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้อย่างใจเราหรอกเขาก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไป ไม่อยู่ในอำนาจคํากับบัญชาของใครอะนนี้เป็นกฎธรรมชาติถ้าเราเข้าไปติดเข้าไปเกาะเราก็อยากให้ดึงใจเราสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ทุกข์แหะสิ่งที่มีความทุกข์ก็อยากให้มีความสุขสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนก็อยากให้มีตัวมีตนอาการที่ทําแบบเนี้ย ก็ถือว่าเป็นความยึดมั่นถึงมั่นเพื่อถูกใจเราแต่บางทีสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเรามันถูกตามธรรมชาติมันถูกตามธรรมชาติมตามรรมาตไม่ถูกอย่างเราแล้วก็ไปเกาะไปเกีเก่ยวไปยึดติดใจก็เป็นทุกข์ถ้าเราไปฝืนกฎของธรรมชาติที่ก็เป็นอย่างนั้นเองเกฎของธรรมชาติเนี่ยถือว่าเฉียบขาดมากจะถือว่าเป็นพระเจ้า ในพุทธศาสนาก็ได้คือกฎของธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของธรรมชาติใจเลยต้องเป็นทุกข์เราลองสำรวจ ด, ดูได้เลยว่าจิตใจเราเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ล้วก็ลองคิดเล่นๆนะคิดสาวหาเหตุดูเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยไม่เกินความยึดมั่นถือมั่นหรอกอาจจะยึดมั่นถือมั่นในความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ ห, หรือความไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากและไม่อยากนี่แหละเป็นที่ตั้งในความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละจิตใจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกายกับจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งในความยึดมั่นถือมั่นที่ทำ well. ให้เราต้องเป็นทุกข์ลองสรวจดูอันนี้คือความจริงถ้าเราใช้ชีวิตแบบฝืนกดของความเป็นจริงเราก็ไม่ถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นนะ ล้วก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบเข้าใจกฎของธรรมชาติคือใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับกฎธรรมชาติความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างกายกับจิตของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราเนี่ยนะเขามีความเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็จะไม่เป็นทุกข์คือไม่ฝืนน่ ตัวยิ่งจิตใจยิ่งแล้วเลยโอ้ใจเนี่ยมัยนเปลี่ยนแปลงมากเป็นคือลงลงฟูฟูแฟบแเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจว่าอ๋อเนี่เป็นเรื่องธรรมดานะทำความเข้าใจแล้วรู้จักยอมรับมันเราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการผาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนักปฏิบัติธรรมเนี่ย คือผู้ที่เรียนรู้ความจริงไม่หนีความจริงไม่ฝืนกฎของความเป็นจริงรู้จักยอมรับไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นอาจจะถูกใจเราเราก็ยอมรับได้ไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับได้รับรู้รับทราบเอาไว้อันนี้คือความจริงเราจะได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเลย จากปล่อยวางอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองนะจิตก็จะเบาสบายไมไม่หนักไม่เครียดปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยจะว่าเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมหรือไม่ปฏิบททัติธรรมก็ตามก็จะมีอยู่เงี้มีความอยากแล้วก็ความไม่อยากอย่างนี้แหละยิ่งนักปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วเลยพอเริ่มปฏิบททัติธรรมบอกเริ่มเนี่ย ไปปฏิบัติทำกันเอามาปฏิบัติทำกันจเจริญสติพร้อมๆกันเนี่ยจิตที่เราตั้งไว้ก็คืออยากให้มันสงบนะเริ่มต้นด้วยความอยากอยากให้มันสงบอันนี้เป็นความยึดมั่นถิมันแล้วนะคือต้องการให้มันสงบตามอำนาจของความอยากคือตัณหานั่นเองหรือบางทีคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะหนะ่อเริ่มปฏิบัติเป็นหน่อยอ่ะ ก็เกิดความไม่อยากเวลาจิตใจมันคิดฟุ้งซ่านไม่สงบก็พยายามต่อต้านผลักซ้ายออกไปเจาชนะให้ได้จะฆ่าความฟุ้งซ่านให้ได้มันไปทั้งซ้ายทางขวาเลยทั้งความอยากให้สงบแล้วก็ไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกอย่างหนึ่งนะยึดมั่นถือมั่นในในความอยากอยากให้มันดีมันก็เป็นทุกข์การปฏิบัติจึงมีการบังคับ กดคมเข่งเคลียดจิตใจจึงรู้สึกหนักๆคนที่เจริญสติเนี่ยหรือทำสมาธิก็ตามดูเถอะถ้าเราทำแล้วมันเครียดมันหนักประวัติศีรษะแน่นหน้าอกปวด ต, ตามหัวไหล อ, อึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเลยไอ้เนี้ยเกิดจากว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นไปกดทับกดทับให้มันสงบ ไล่ความคิดความปรุงแต่งพุ่งสร้างในจิตใจเราเนี่ยธรรมชาติมันลงโทษให้เราเป็นทุกข์แหละแต่ถ้าเราจเจริญสติเพียงแค่รู้เฉยๆโอมันสงบก็รู้มันมันไม่สงบก็รู้มันมันเผลอมันหลงลื ม, มก็รู้อันนี้ใจเรามันจะผ่อนคลายนะถ้าใจคนที่ปฏิบัติแล้วผ่อนคลายสบายๆรู้สึกตัวอยู่สบายๆเบาๆไม่เคร่งเครียด อันนี้ถือว่าถูกทางแนละ้วการปฏิบัติทำเนี่ยก็เพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อการหาทุกข์ใส่ตัวเราเนี่ยคือความผ่อนคลายแสดงว่าเราทำแบบปกติแล้วไม่ไปยึดมั่นไม่ยึดติดอะไรไม่ต้องการอะไรเนี่ยแค่รู้เฉยๆถ้าเราไปบังคับกดข่มแทนที่จิตมันจะสงบกับฟุ้งซ่านหนักกึ้นอีกแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉย ๆ, ร, ฉยๆรู้สึกอย่างนี้ ก็เกิดความสงบใน้ง่ายนะเพราะจิตมันไม่เครียดมันเป็นปกนติการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องยากเป็นธรรมดานะมันก็ต้องมีความยากบ้างง่ายบ้างก็มีบางคนบา่าโอ้การปฏิบัติธรรมนี่ง่ายนะอันนี้นก็ถูกของเขาบางคนปฏิบัติแล้วโอ้มันยากเหลือเกินเนี่ยทําได้ยากมันก็ถูกอีกอะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเป็นความจริงที่เราจะต้องเผชิญ มีทั้งความยากความง่ายการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีสองอย่างไม่ยากก็ง่ายถ้าเราอยากจะหนีความยากความง่ายล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะนั้นไม่เป็นไรหรอกมันยากก็ดีนะบางทีมันก็เกิดการท้าทายอะไรก็ตามที่มันง่ายทำง่ายไปซะหมดเนี่ยบางทีมันจืดมันเซ็งนอะไรอะไรก็ง่ายๆบางทีมันจืดมันเซ็งบทีมันเบื่อเบือมันไม่ก็มีรสชาติ แต่ถ้าการการะทำบางอย่างเนี่ยมันมีความยากโอ้มันมีรสชาติมากมันเกิดการท้าทายง่ายก็อย่าประมาทถ้าเกิดความยากก็อย่าท้อแท้ท้าทายถ้าเกิดการท้าทายเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ความยากความลําบากมันจะแค่ไหนกันคิดท้าทายเป็นบ้างโอกิเลส ต, ตัวน้นอยบางทีเออไม่มีตัวมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวเนี่มัน มันสักแค่ไหนกันมันจะเท่าไรกันต้องรู้จักที่ว่าเขียนเสือให้วัว ก, กลัวซะบ้างมองภูเขาเป็นกองทรายเล็กๆซะบ้างมันอยู่ที่ใจเราวิธีคิดโอมันไม่เท่าไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ยังไหวนี yeah. ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยอ้อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันแทบจะล้มละลายเลยนะเพราะใจเราเนี่ยมันมันมีกําลังใจเหนืออุปสรรคเหล่านั้นมันยากก็ไม่เป็นไรหรอก เรื่องเล็กเอาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กซะเราจะมีความกระตือรือร้นที่ทํำในสิ่งนั้นมันมีรสชาติการปฏิบททัติธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละยากก็ท้าทาย ม, มันไม่ใช่ว่าเราจะยากคนเดียวหรอกไม่ใช่ว่าเรายากคนเดียวหรอกโอ้มันยากทุกๆคนแหละครูบาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยากลําบากมาก่อนภาษาวกครูบาาจารย์เพื่อนของเรา มันยากเลยกันทั้งนั้นน่ยโอ้ยิ่งผมเนี่ยยิ่งยากเลยาการมีชีวิตที่ผิดปกติร่างกายผิดปกติทุกพลภาพ mm hmm. เพียงแค่การใช้ชีวิตก็ยากแล้วแต่ความยากเนี่ยมันนำมาสู่ความทำให้เรารู้จักอดทนเข้มแข็งดูตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปละเมื่อก่อนว่ายากโอ้ถ้าเราฝ่าฟันไปได้มันไม่ยากหรอกมันเกิดความรู้มการใช้ชีวิตเนี่ย แม้แต่การปฏิบัติธรรมนี่ก็ยากผมมีอุยยาบทไม่สม่ำเสมอมีแต่นอนกับนั่งยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ดูแล้วมันดูจะยากกับคนอื่นแต่แม่เป็นไรหรอกแม่เป็นไรยิ่งเห็นทุกข์บ่อยๆมันก็ยิ่งเห็นธรรมะเห็นทุกข์เนี่เห็นธรรมะเห็นความลําบากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นความลําบากได้ถ้าเราไม่ยากไม่ลําบากแบบนี้เราคงจะไม่มาสนใจธรรมะหรอก เราคงจะประมาทหลงระเริงไปกับสิ่งโลกโลกแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแบกทุกข์มากกว่าเดิมหนีความจริงนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยโอกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยาวจิตใจเราต้องเอาชนะมันใได้โดยการให้รู้เท่าทั น, นได้ความยากความลบาบากเลยเนกลายเป็นสิ่งท้าทายในเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ปฏิบรรัติทำอยากคิดว่ามันยากมันยากก็ดีเราจะได้รู้จักเอาชนะมัน มันสบายก็ดีแต่ว่าเป็นบุญของเรามันเกิดการท้าทายได้ทั้งนั้นเลยไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนหรอกที่ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคเลยวิธีแบบไหนที่ไม่มีอุปสรรคในไม่มีหรอกมันมีทั้งนั้นจะมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจของเราเพราะฉะนั้นมันลำบากบ้างมันยากบ้างมันก็ดีมันเกิดความท้าทายทําให้ชีวิตมันมีรสชาติ การปฏิบัติธรรมที่มีรสชาติต้องผ่านอุปสรรคถ้าเราทําให้มันสนุกก็สนุกได้มันสนุกนะการปฏิบัติธรรมที่มันอยากสนุกมันเลยกลายเป็นชีวิตที่มีชีวาชีวิตที่มีชีวาถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวาเนี่ยมันก็เซ็งเซ็งเบื่อเบืมันไม่กระตือรือร้นมันไม่มีรสชาติชีวิตที่มีชีวาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีรสชาติโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พบกับความเป็นจริงสติเนี่ยทำให้เราเกิดความกล้าหาญที่จะไปเชิญหน้ากับความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเราก็รู้จักที่จะยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เอาชนะสิ่งนั้นได้ด้วยการารู้เท่าทันแล้วก็รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่อยๆจางกลายไป มันก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ร่างการจริญสติเนี่ยสำคัญมากผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปเจตนาคิดเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาเจริญสติเราจะได้เห็นความคิดได้ง่ายๆเห็นจิตเห็นใจได้ง่ายๆเพราะถ้าเราไปตั้งใจคิดแล้วเนี่ยมันจะสับสนระหว่างความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยสติกับความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมา มันจะเกิดการสับสนว่าอันไหนเป็นของจริงในชะ่ไหมอย่าเพิ่งไปเจตนาคิดปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งมาโดยธรรมชาติแล้วเราก็ค่อยรู้มันคอยรู้มั น, อ, มนอ๋อคิดแล้วนี่เราก็รู้ผ่านนะมันโกรธเราก็รู้มันเกิดความอยากความไม่อยากเราก็รู้แค่รู้เฉยๆจิตมันก็จะผ่านไปอย่างผ่อนคลายเป็นปกติสําคัญนะเนี่ยอย่างให้พวกเราได้ทำตรงนี้ให้มากๆ ขยันสร้างสติเนี่ยป็นเอาจิตใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์สบาพออกจากความโกรธออกจากความทุกข์ออกจากความหลงเราจะโกรธจะทุกข์จะหลงไปจนตายหรือเราต้องสมัครแกจะลาออกจากสิ่งเหล่านี้หรือเาการลาออกนั้นก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่มาขยันทำความรู้สึกตัวขยันจเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยเท่ากับเป็นการประกาศ ลาออกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรผลของการปฏิบัติเนี่ยจะเกิดมาเป็นยังไงนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้ว